พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นละสิ่งแรกอาศัยสิ่งหลังไปตามความพลุ่งพล่านย่อมข้ามกิเลสเครื่องข้องไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือย่อมสลัดทิ้งเหมือนลิงจับหญิงไม้แล้วก็ปล่อยฉะนั้นว่าด้วยการจับจับปล่อยปล่อยพ้นกิเลสไม่ได้คําว่าละสิ่งแรกอาศัยสิ่งหลัง อธิบายว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นและศาสดาองค์กร อ, อาัยคืออิงอาใจติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อศาสดาองค์ต่อมาและทมที่ศาสดากล่าวสอนครั้งแรกอาใรทมที่ศาสดากล่าวสอนครั้งต่อมาและหมู่คณะแรกอาัยหมู่คณะต่อมาและทิฏฐิแรกอาัยทิฏฐิต่อมา และปฏิปทาแรกอาศัยปฏิปทาต่อมาละมักแรกอาศัยคืออิงอาศัยติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อมักต่อมารวมความว่าและสิ่งแรกอาศัยสิ่งหลังคำว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นไปตามความพลุ่งพล่านย่อมข้ามจิเลยเครื่องข้องไม่ได้อธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่า ความพลุงพล่านคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะคำว่าไปตามความพลุ่งพล่านอธิบายว่าไปตามความพลุ่งพล่านคือตกไปตามความพลุ่งพล่านจ้านไปตามความพลุ่งพล่านจมลงในความพลุ่งพล่านเด็แก่ถูกความพลุ่งพล่านผลักให้ตกไปถูกความพลุ่งพล่านครอบงำ มีจิตถูกความพรุนพร่านยึดครองคำว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมข้ามกิเลสเครื่อนข้องไม่ได้ได้แก่ย่อมข้ามไม่ได้คือข้ามไปไม่ได้ข้ามพ้นไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้ล่วงเลยไม่ได้ซึ่งกิเลสเครื่อนข้องคือราคะกิเลสเครื่องนข้องคือโทสะกิเลสเครื่อนข้องคือโมหะกิเลสเครื่อนข้องคือมานะ กิเลสเครื่องข้องคือทิฏฐิกิเลสอันเป็นเครื่องเกี่ยวข้องกิเลสเครื่องข้องคือทุจริตรวมความว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นไปตามความพลุ่งพล่านย่อมข้ามกิเลสเครื่องข้องไม่ได้คําว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือย่อมสลัดทิ้งอธิบายว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือศาสดาปล่อยศาสดานั้นแล้วก็ถือศาสดาองค์อื่น ถือทำที่ศาสดากล่าวสอนปล่อยทำนั้นแล้วก็ถือทำที่ศาสดากล่าวสอนอื่นถือหมู่คณะปล่อยหมู่คณะนั้นแล้วก็ถือหมู่คณะอื่นถือทิฏฐิปล่อยทิฏฐินั้นแล้วก็ถือทิฏฐิอื่นถือปฏิปทาปล่อยปฏิปทานั้นแล้วก็ถือปฏิปทาอื่นถือมักปล่อยมักนั้นแล้วก็ถือมักอื่นคือย่อมถือและย่อมปล่อยชื่อว่า ย่อมยึดถือและย่อมสละทิ on ้งรวมความว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือย่อมสละทิ้งคำว่าเหมือนลิงจับกิ่งไม้แล้วก็ปล่อยฉะนั้นอธิบายว่าลิงเที่ยวไปในป่าดงใหญ่จับกิ่งไม้แล้วปล่อยกิ่งนั้นก็จับกิ่งเอื่นปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งเอื่นฉันใดสมณพราหมณ์เป็นอันมากย่อมถือและย่อมปล่อยทิฏฐิมากมายชื่อว่า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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตว์เกิดสมาทานวัดทั้งหลายเองข้องอยู่ในสัญญาย่อมดําเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอส่วนผู้มีความรู้รู้ทำด้วยเวททั้งหลายแล้วเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดภูริแผ่นดินย่อมไม่ดําเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอนว่าด้วยการดําเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอนคำว่าสมาทานเองในคําว่า จัดเกิดสมาทานวัดทั้งหลายเองได้แก่สมาทานด้วยตนเองคําว่าวัดทั้งหลายอธิบายว่าถือเอาสมาทานคือยึดถือรับเอาถือยึดมั่นถือมั่นวัดเยี่ยงช้างบ้างวัดเยี่ยงม้าบ้างวัดเยี่ยงโคบ้างวัดเยี่ยงสุนักบ้างวัดเยี่ยงกาบ้างวัดเยี่ยงเท้าวาสุเทพบ้างวัดเยี่งพละเทบ้าง วัดเยี่ยงปุณณพัทระบ้างวัดเยี่ยงมณีพัทระบ้างวัดคือการบูชาไฟบ้างวัดเยี่ยงนาคบ้างวัดเยี่ยงครุฑบ้างวัดเยี่ยงยักษ์บ้างวัดเยี่ยงอสูรบ้างวัดคือการไหว้ทิศบ้างคำว่าสัตว์เกิดได้แก่สัตว์นรชนมนุษย์รวมความว่าสัตว์เกิดสมาทานวัดทั้งหลายเอง คำว่าข้องอยู่ในสัญญาย่อมดำเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอได้แก่จากศาสดาแรกไปหาศาสดาต่อมาจากธรรมที่ศาสดากล่าวสอนครั้งแรกไปหาธรรมที่ศาสดากล่าวสอนครั้งต่อมาจากหมู่คณะแรกไปหาหมู่คณะต่อมาจากทิฏฐิแรกไปหาทิฏฐิต่อมาจากปฏิปทาแรกไปหาปฏิปทาต่อมา จากมรรคแรกไปหามรรคต่อมาคําว่าผู้ข้องอยู่ในสัญญาอธิบายว่าผู้ข้องคือติดเกี่ยวเกาะติดเกี่ยวพันผัวพันในการมาสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาทิชชีสัญญาเปรียเหมือนสิ่งของข้องคือติดเกี่ยวแขวนเกี่ยวพันติดตรึงอยู่ที่ตะปูข้างฝาหรือที่ไม้แขวนฉันใด จัเกิดนั้นก็ข้ อ, ของคือติดเกี่ยวเกาะติดเกี่ยวพันผัว พ, พันในการมสัญญาพยาบาสัญญาวิหิงสาสัญญาทิจิสัญญาฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่าผู้ข้องอยู่ในสัญญาย่อมดำเนินไปรุ่มรุ่มดอนดอ น, ดอนว่าด้วยผู้รู้ธรรมเจ็ดประการคำว่าผู้มีความรู้ในคำว่า ส่วนผู้มีความรู้รู้ธรรมด้วยเวททั้งหลายแล้วได้แก่ผู้มีความรู้คือมีวิชามียานมีปัญญาเครื่องตัดสรุปมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทําลายกิเลสคําว่าด้วยเวททั้งหลายได้แก่ยานในมรรสี่ตรัสเรียกว่าเวทคือปัญญาปัญญิสีสีปัญญาภละธรรมวิจยะสัมโพชง ปัญญาเครื่องพิจารณาปัญญาเครื่องเห็นแจ้งสัมมาทิธิผู้มีความรู้นั้นถึงที่สุดบรรลุที่สุดถึงส่วนสุดบรรลุส่วนสุดถึงปลายสุดบรรลุปลายสุดถึงความสาเร็จบรรลุความสาเร็จถึงที่ปกป้องบรรลุที่ปกป้องถึงที่หลีกเร้นบรรลุที่หลีกเร้นถึงที่พึ่งบรรลุที่พึ่งถึงที่ไม่มีภัย บรรลุที่ไม่มีภัยถึงท it, ี่ไม่จุติบรรลุที่ไม่จุติถึงที่ไม่ตายบรรลุที่ไม่ตายถึงที่ดับบรรลุที่ดับแห่งชาติชรามรณะด้วยเวทเหล่านั้นอีกในหนึ่งชื่อว่าเวทคูเพราะถึงที่สุดแห่งความรู้ทั้งหลายชื่อว่าเวทคูเพราะถึงที่สุดด้วยความรู้ทั้งหลายชื่อว่าเวทคู เพราะรู้แจ้งทำเจ็บประการคือหนึ่งเป็นผู้รู้แจ้งจักกายทิฐิสองเป็นผู้รู้แจ้งวิจิกิจชาสาเป็นผู้รู้แจ้งศีลปตะปรามาต 4. เป็นผู้รู้แจ้งราคะหเป็นผู้รู้แจ้งโทสะหเป็นผู้รู้แจ้งโมหะเจ็ดเป็นผู้รู้แจ้ง ม, ม, มานะ ผู้มีความรู้นั้นเป็นผู้รู้แจ้งบาปอคุโสณธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองก่อพบใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชารามรณะต่อไปสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสพิยะบุคคลเลือกเฟ้นเวททั้งสิน้นของพวกสมณพราหมณ์ที่มีอยู่เป็นผู้ปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวง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 เพราะตันหาดับอุปาทานจริงดับเพราะอุปาทานดับพบจริงดับเพราะพบดับชาติจริงดับเพราะชาติดับชรามรณะจริงดับรู้คือรู้ยิ่งธรรมว่านิทุนิทุขสมุทัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธาขามินีปฏิปทารู้คือรู้ยิ่งธรรมว่าเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัย นี่อาสจจวะนิโรธนี่อาสวะนิโรธท้าขาไม่มีปฏิปทารู้คือรู้ยิ่งธรรมว่าเหล่านี้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งเหล่านี้ธรรมที่ควรกําหนดรู้เหล่านี้ธรรมที่ควรละเหล่านี้ธรรมที่ควรเจริญเหล่านี้ธรรมที่ควรทําให้แจ้งรู้คือรู้ยิ่งธรรมคือเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกแห่งภาษาญตณะหก รู้คือรู้ยิ่งธรรมคือเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกแห่งอุปทานขันห้ารู้เพื่อรู้ยิ่งธรรมคือเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกแห่งมหาภูตรูปสี่รู้คือรู้ย nee, ิ่งธรรมว่าสิงได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่า สนผู้มีความรู้รู้ธรรมด้วยเวททั้งหลายแล้วคําว่าเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดภูริแผ่นดินย่อมไม่ดําเนินไปรุ่มๆุ่มดอนดอนไ ด, ด้แฝงไม่จากศาสดาแรกไปหาศาสดาต่อมาไม่จากธรรมที่ศาสดากล่าวสอนแรกไปหาธรรมที่ศาสดากล่าวสอนต่อมาไม่จากหมู่คณะแรกไปหาหมู่คณะต่อมา ไม่จากทิฏฐิแรกไปหาทิฐิต่อมาไม่จากปฏิปทาแรกไปหาปฏิปทาต่อมาไม่จากมรรคแรกไปหามรรคต่อมาคำว่าเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุจภูริแผ่นดินไดกแก่เป็นผู้มีปัญญาดุจภูริคือมีปัญญายิ่งใหญ่มีปัญญามากมีปัญญาอาฐานมีปัญญาฉับไวมีปัญญาเฉียบคม มีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสแผ่นดินตรัสเรียกว่าภูริบุคคลนั้นประกอบด้วยปัญญาอันกว้างขวางแผ่ไปเสมอด้วยแผ่นดินนั้นรวมความว่าเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุจภูริแผ่นดินยอมไม่ดำเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัตว์เกิดสมาทานวัดทั้งหลายเองข้องอยู่ในสัญญา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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้กำจัดเสนนาในธรรมทั้งปวงคือรูปที่เห็นสิ่งที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งใครๆในโลกนี้จะพึงกาหนดผู้มีปัญญานั้นผู้เห็นผู้ประพฤติเปิดเผยด้วยเหตุอะไรเล่าว่าด้วยเสนามานคำว่าผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้กำจัดเสนนาในธรรมทั้งปวง คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอธิบายว่าเสนามานตรัสเรียกว่าเสนากายทุจริตชื่อว่าเสนามานวจีทุจริตชื่อว่าเสนามานมโนทุจริตชื่อว่าเสนามานราคะชื่อว่าเสนามานโทสะชื่อว่าเสนามานโมหะชื่อว่าเสนามาน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 เสนากองที่สี่ของท่านถีนมิทะเราเรียกว่าเสนากองที่ห้าของท่านความกลัวเราเรียกว่าเสนากองที่หกของท่านวิจิกิจชาเราเรียกว่าเสนากองที่เจ็ดของท่านมัคคะและธรรมภะเราเรียกว่าเสนากองที่แปดของท่านลาบความสันเซิญสักกะระและยศที่ได้มาผิดๆเราเรียกว่าเสนากองที่เก้าของท่าน การยกตนและข่มผู้อื่นเราเรียกว่าเสนากองที่สิบของท่านมานเอย๋ยเศนาของท่านนี้มีปกติประหารผู้มีธรรมดำคนขลาดเอาชนะเสนานั้นไม่ได้แต่คนกล้าครั้นชนะได้แล้วย่อมได้ความสุขเมื่อใดเสนามานทั้งหมดและกิเลสที่สร้างเสนาฝ่ายตรงข้ามทั้งปวงถูกผู้มีปัญญาพิชิตและทำให้ปราชัย ถูกทำลายกำจัดทำให้ไม่สู้หน้าแล้วด้วยอเรียมักซีเมื่อนั้นผู้มีปัญญานั้นตรัสเรียกว่าเป็นผู้กำจัดเสนาเคอเป็นผู้กำจัดเสนาในรูปที่เห็นกำจัดเสนาในเสียงที่ได้ยินกำจัดเสนาในอารมณ์ที่รับรู้และกำจัดเสนาในธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วรวมความว่าผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้กำจัดเสนาในธรรมทั้งปวง คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าผู้มีปัญญานั้นผู้เห็นผู้ประพฤติเปิดเผยอธิบายว่าผู้มีปัญญานั้นผู้เห็นทำหมดจดเห็นทำสะอาดเห็นทำบริสุทธิ์เห็นทำผ่องแผ้วเห็นทำผ่องใสอีกในหนึ่งความเห็นหมดจดความเห็นสะอาดความเห็นบริสุทธิ์ความเห็นผ่องแผ้ว ความเห็นผ่องใสคําว่าเปิดเผยอธิบายว่าเครื่องปิดบังคือตันหาเครื่องปิดบังคือทิฏฐิเครื่องปิดบังคือกิเลสเครื่องปิดบังคือทุจริตเครื่องปิดบังคืออวิชชาเครื่องปิดบังเหล่านั้นถูกเปิดเผยแ ล, แล้วคือรื้อออกแล้วเพิกขึ้นแล้วเพิกถอนแล้วละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้ว ระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วคำว่าผู้ประพฤต์ได้แก่ผู้ประพฤต์เคยเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าผู้มีปัญญานั้นผู้เห็นผู้ประพฤต์เปิดเผยคำว่าใครๆในโลกนี้จะพึงกาหนดด้วยเหตุอะไรเล่า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 หรือว่าเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ใครๆจะเพิ่งกำหนดคือกำหนดรู้ถึงการกำหนดรู้ด้วยเหตุปัจจัยและการใดเหตุปัจจัยและการนั้นไม่มีคาว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกทาตุโลกอายตนะโลกรวมความว่า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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมไม่กําหนดไม่เชื่อชูสัตว์บุรุษเหล่านั้นไม่กล่าวว่าเป็นความหมดจดสุดโตง่งสลัด ก, กิเลสเครื่องร้อยรัดอันเป็นเหตุยึดมั่นที่ร้อยรัดไว้แล้วไม่ก่อความหวังในที่ไหนไหนในโลกว่าด้วยคุณลักษณะของสัตว์บุรุษคําว่าย่อมไม่กําหนดไม่เชื่อชูอธิบายว่า คำว่ากำหนดได้แก่การกำหนดสองอย่างคือหนึ่งการกำหนดด้วยอำนาจตันหาสองการกำหนดด้วยอำนาจทิฐินี้ชื่อว่าการกำหนดด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าการกำหนดด้วยอำนาจทิฐิสัรุษเหล่านั้นละการกำหนดด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัทิ้งการกำหนดด้วยอำนาจทิฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละการกำหนดด้วยอำนาจตัหา สลัดทิ้งการกําหนดด้วยอํนานาจทิฐิได้แล้วสเตว์บุรุษจึงไม่กําหนดคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นซึ่งการกําหนดด้วยอํนานาจตันหาหรือการกําหนดด้วยอํนานาจทิฐิรวมความว่าย่อมไม่กําหนดคําว่าไม่เชื่อชูอธิบายว่าคําว่าเชื่อชูได้แก่การเชื่อชูสองอย่าง คือหการเชื่อชูด้วยอำนาจตันหา2การเชื่อชูด้วยอำนาจทิฐินี้เรียกว่าการเชื่อชูด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าการเชื่อชูด้วยอำนาจทิฐิสัตรบุรุษเหล่านั้นละการเชื่อชูด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งการเชื่อชูด้วยอำนาจทิฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละการเชื่อชูด้วยอำนาจตันหาสลัดทิ้งการเชื่อชูด้วยอำนาจทิฐิได้แล้ว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 เป็นความหมดจดสุดโตรงอธิบายว่าว์บุรุษไม่กล่าวคือไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงความหมดจดสุดตรงคือความหมดจดโดยการเวียนว่ายความเห็นว่าการกระทำไม่มีผลมีวาทะว่าเที่ยงรวมความว่าซาบุรุษเหล่านั้นไม่กล่าวว่าเป็นความหมดจดสุดโตรง คำว่าสลักลลลกเเิเลสเครื่องร้อยรัดอันเป็นเหตุยิดมั่นที่ร้อยรัดไว้แล้วอธิบายว่าคําว่ากิเลสเครื่องร้ยอยรัดได้แก่กิเลสเครื่องร้อยรัศีอย่างคือหนึ่งกิเลสเครื่องร้อยรัศกายคืออภิชาสองกิเลสเครื่องร้อยรัศกายคือพยาบาทสมกิเลสเครื่องร้อยรัศกายคือศิลปตะปรามาสสี่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 ทิฏฐิของตนชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรัสกายคืออิทังสัจจาพินิเวศเพราะเหตุไรจึงเรียกว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดอันเป็นเหตุยึดมั่นเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมยึดถือเข้าไปยึดถือถือยึดมั่นถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคติการถือกาเนิดปฏิสนธิพบ เพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมยึดถือเข้าไปยึดถือถือยึดมั่นถือมั่นสังสารวัตรด้วยกิเลสเครื่องร้อยรัตเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่ากิเลสเครื่องร้อยรัตอันเป็นเหตุยึดมั่นคาว่าสลัดได้แก่สละหรือสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัตอีกในหนึ่งสัรบุรุษแค่หรือสลัดกิเลสเครื่องร้อยรันนรครด ค, รรรคือกิเลสเครื่องผูกพันที่ร้อยรัต รัดรึงข้องติดเกี่ยวเกียวพันเกาะติดติดแน่นแล้วอธิบายว่าสซาปุรุษสละหรือสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดเหมือนคนทำการปลดปล่อยวอร์รถเปลยนหรือรถมีเครื่องประดับให้เคลื่อนที่ไปได้ฉะนั้นอีกในหนึ่งสซาปุรุษแก้หรือสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดคือกิเลสเครื่องผูกพันที่ร้อยรัดรัดรึง ค้องติดเกี่ยวเกี่ยวพันเกาะติดติดแน่นแล้วรวมความว่าสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดอันเป็นเหตุยึดมั่นที่ร้อยรัดไว้แล้วคาว่าไม่ก่อความหวังในที่ไหนไหนในโลกอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความหวังคือความกาหนัดกาหนัดนะักอภิชาอากุศลมมลคือโลภะคาว่าไม่ก่อความหวัง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 ไม่ก่อความหวังในที่ไหนๆในโลก้ดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจ้งตรัสว่าสัตว์รุษทั้งหลายย่อมไม่กำหนดไม่เชื่อชูสัตว์ปรลุษเหล่านั้นไม่กล่าวว่าเป็นความหมดจดสุดโตงสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดอันเป็นเหตุยึดมั่นที่ร้อยรัดไว้แล้วไม่ก่อความหวังในที่ไหนๆในโลก สาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระอรหันต์เป็นผู้ไปพ้นเขตแดนแล้วเป็นพราหมณ์เพราะรู้และเห็นพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีความถือมั่นพระอรหันต์ไม่มีความกำหนัดในกลามคุณเป็นที่กำหนัดไม่กำหนัดในสมาบัติเป็นที่คลายกำหนัดพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีความถือมั่นว่ายอดเยี่ยมในโลกนี้ว่าด้วยพระอรหันต์ คำว่าพระอรหันต์เป็นผู้ไปพ้นเขแดนแล้วเป็นพรามเพราะรู้และเห็นพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีความถือมัน่นอธิบายว่าคำว่าเขตแดนได้แก่เขตแตนสี่อย่างคือหนึ่งสักกายทิฐิวิจิตกิจชาสิลภัตตปรามาธทิฏฐานุใสวิจิตกิกชานุสัสและเหล่ากิเล ท, ที่อยู่ในพวกเดียวกันนั้นนี้เป็นเขแดนที่หนึ่ง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 สรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทัจจะอวิชามานานุสัยภวราคานุสัยอวิชานุสัยและเหล่ากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกันนั้นนี้เป็นเขตแดนที่สี่เพราะพระอรหันต์เป็นผู้ก้าวล่วงคือก้าวพ้นล่วงพ้นเขตแดนทั้งสี่เหล่านี้ด้วยอเรียมัคสีพระอรหันต์นั้นจึงตรัสเรียกว่าผู้ไปพ้นเขตแดนแล้ว คำว่าเป็นพราหมณ์อธิบายว่าที่ชื่อว่าพราหมณ์เพราะลอยทำเจ็ดประการได้แล้วคือหนึ่งลอยจักระยะทิฐิได้แล้วสองลอยวิจิกิจชาได้แล้วสลอยศีลปะตะประมาทได้แล้วไม่มีตันหาและทิฐิอาศัยเป็นผู้มั่นคงบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์คำว่านั้นได้แก่พระอรหันตขีนาศ คำว่าเพราะรู้ได้แก่เพราะรู้ด้วยประจิตตญาณญาณเป็นเครื่องรู้จิตของผู้อื่นหรือรู้ด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณญาณเป็นเครื่องรละลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ก่อนคำว่าเพราะเห็นได้แก่เพราะเห็นด้วยมังสะจักขูหรือเห็นด้วยทิพจักขูคำว่าพระอรหันต์เป็นผู้ไปพ้นเขตแดนแล้วเป็นพรามเพราะรู้และเห็น พระอรหันต์นั้นจึงไม่มีความถือมั่นอธิบายว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ซึ่งความถือความยึดมั่นความถือมั่นความติดใจความน้อมใจเชื่อว่าสิ่งนี้เยี่ยมยอดประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดคือความถือมั่นนั้นพระอรหันต์ละได้แล้วตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าพระอรหันต์เป็นผู้ไปพ้นเขตแดนแล้วเป็นพรามเพราะรู้และเห็นพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีความถือมั่นคําว่าไม่เป็นผู้กำหนัดในการมกุณเป็นที่กำหนัดไม่กำหนัดในสมาบัติเป็นที่คลายความกาหนัดอธิบายว่า ชนเหล่าใดกำหนัดคือยินดีติดใจสยบหมกมุ่นเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันในากามคุณห้าชนเหล่านั้นตราสเรียกว่าผู้กำหนัดในกรมคุณเป็นที่กำหนัดชนเหล่าใดกำหนัดเคือยินดีติดใจสยบหมกมุ่นเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันในรูปราวจรสมาบัตและอรูปราวจรสมาบัตชนเหล่านั้นตราดเรียกว่า ผู้กำหนัดในสมาบัตเป็นที่คลายกำหนัดคำว่าไม่เป็นผู้กำหนัดในกามาคุณเป็นที่กำหนัดไม่กำหนัดในสมาบัตเป็นที่คลายกำหนัดอธิบายว่าเมื่อใดพระอรหันต์และการมราคะรูปราคะและอรูปราคะได้เด็ดขาดแล้วตักราก ถ, ถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดราก ถ, ถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ เมื่อนั้นพระอรหันจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่กำหนัดในกามคุณเป็นที่กำหนัดไม่กำหนัดในสมาบัติเป็นที่คลายกำหนัดคำว่านั้นในคำว่าพระอรหันนั้นไม่มีความถือมั่นว่ายอดเยี่ยมในโลกนี้ได้แก่พระอรหันตะขีนาศพระอรหันนั้นไม่มีความถือความยึดมั่นความถือมั่นความติดใจความน้อมใจเชื่อว่า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 พระอรหันต์น mm hmm. ั้นจึงไม่มีความถือมั่นว่ายอดเยี่ยมในโลกนี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้ม no ีพระภาคจึงตรัสว่าพระอรหันต์เป็นผู้ไปพ้นเขตแดนแล้วเป็นพรามเพราะรู้และเห็นพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีความถือมั่นพระอรหันต์ไม่มีความกำนัดในกรามคุณเป็นที่กำนัดไม่กำนัดในสมาบัตเป็นที่คลายกำนัดพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีความถือมั่นว่า ยอดเยี่ยมในโลกนี้สุทธตกะสุตตนิเทศที่สี่จบ 5. ปรมากะสุตตนิเทศอธิบายปรมากะสูตรว่าด้วยผู้ยึดถืออยู่ในทิฏฐิ พระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายปรมากะสูตรดังต่อไปนี้สาสิบเอ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตว์เกิดผู้ยืดถือในทิฏฐิทั้งหลายว่ายอดเยี่ยมย่อมทำทิฏฐิได้ให้ยิ่งใหญ่ในโลกกล่าวทิฏฐิอื่นทุกอย่างนอกจากทิฏฐินั้นว่าเลวเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดนั้นจึงไม่ร่วงพ้นการวิวาทไปได้ คำว่ายึดถือในทิฐิทั้งหลายว่ายอดเยี่ยมอธิบายว่ามีสมณพราหม์พวกหนึ่งเป็นเจ้าลทัทธิสมณพราหมณ์เหล่านั้นจับยึดถือยึดมั่นถือมั่นทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฐิหกสิบสองว่าทิฐินี้เยี่ยมยอดประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดย่อมอยู่อยู่ร่วมอยู่อาศัยอยู่ครองทิฐิอของตนของตน อธิบายว่าพวกคนครองเรือนก็อยู่ในเรือนบนรณฑปชิตที่มีอาบัตก็อยู่ในอาบัตผู้มีกิเลสก็อยู่ในกิเลสทั้งหลายฉั้นใดมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นเจ้าลัทธิสมณพราหม์เหล่านั้นจับยึดถือยึดมั่นถือมั่นทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฐิหกสิบสองว่าทิฐินี้เยี่ยมยอดประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุด ย่อมอยู่อยู่ร่วมอยู่อาศัยอยู่ครองทิฏฐิของตนของตนฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่าผู้ยึดอถือในทิฏฐิทั้งหลายว่ายอดเยี่ยมคำว่าทิฏฐิใดในคำว่าสัตว์เกิดย่อมทำทิฏฐิใดให้ยิ่งใหญ่ในโลกได้แก่ลทัทธิใดคำว่าย่อมทำให้ยิ่งใหญ่ได้แก่ย่อมทำให้ยิ่งใหญ่ คือย e ่อมทำให้ยอดเยี่ยมประเสริฐวิเศษนําหน้าสูงสุดประเสริฐสุดอธิบายว e ่าย e ่อมทำให้ยิ่งใหญ่คือทำให้ยอดเยี่ยมประเสริฐวิเศษนําหน้าสูงสุดประเสริฐสุดคือให้บังเกิดให้บังเกิดขึ้นว่าศาสดานี้เป็นสัพพัญยูธรรมนี้ศาสดากล่าวสอนไว้ดีแล้วหมู่คณะนี้ปฏิบัติดีแล้วทิฏฐินี้เป็นสิ่งที่เจริญ ปฏิปทานนี้ศาสดาบัญญัติไว้ดีแล้วมักนี้เป็นทางนําออกจากทุกข์คําว่าสัตว์เกิดได้แก่สัตว์นรชนมนุษย์คําว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกอายตนะโลกรวมความว่าสัตว์เกิดย่อมทําทิฏฐิใด้ให้ยิ่งใหญ่ในโลกคําว่ากล่าวทิฏฐิอื่นทุกอย่างนอกจากทิฏฐินั้นว่าเลวอธิบายว่า สัตว์เกิดนั้นย่อมทิ้งละทิ้งทอดทิ้งและที่อื่นทุกอย่างนอกจากศาสดราทำที่ศาสดากล่าวสอนหมู่คณะทิฏฐิปฏิปทามรคของตนกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าศาสดานั้นมิใช่สัพพัญยุธรรมมิใช่ศาสตากล่าวสอนไว้ดีแล้วหมู่คณะมิใช่ผู้ปฏิบัติดีแล้วทิฏฐิมิใช่สิ่งที่เจริญ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 หยาบช้าต่ําต้อยรวมความว่ากล่าวทิฏฐิอื่นทุกอย่างนอกจากทิฏฐินั้นว่าเลวคําว่าเพราะฉะนั้นในคําว่าเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดนั้นจึงไม่ล่วงพ้นการวิวาทไปได้ได้แก่เพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นคําว่าการวิวาทได้แก่การทะเลาะเพราะทิฏฐิการบาดหมางเพราะทิฏฐิ การแข่งแย่งเพราะทิฏฐิการวิวาทเพราะทิฏฐิการมุ่งร้ายกันเพราะทิฏฐิคำว่าไม่ล่วงพ้นไปได้ได้แก่ไม่ก้าวล่วงไม่ก้าพ้นไม่ล่วงพ้นรวมความว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่ล่วงพ้นการวิวาทไปได้โดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัตา์เกิดผู้ยึดถือในทิฏฐิทั้งหลายว่ายอดเยี่ยม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 เจ้าลัทธิเห็นอนิสง์ใดในตนในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในศิลวัตรหรือในอารมณ์ที่รับรู้เจ้าลัทธินั้นยึดมั่นทิฏฐินั้นในลัทธิของตนนั้นเห็นทิฏฐิอื่นทั้งปวงโดยความเป็นของเลวว่าด้วยอนิสง์ในทิฏฐิคําว่าอนิสง์ใดในตนในคําว่าเห็นอนิสง์ใดในตนในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยิน ในศีลวัตหรือในอารมณ์ที่รับรู้ได้แก่อนิสงส์ใดในตนทิฏฐิตรัสเรียกว่าตนเจ้าลัทธินั้นเห็นอนิสงส์สองอย่างแห่งทิฏฐิของตนคือหนึ่งอนิสงส์ที่มีในชาตินี้สองอานิสงส์ที่มีในชาติหน้าอันิสงส์แห่งทิฏฐิที่มีในชาตินี้เป็นอย่างไรคือศาสดามีทิฏฐิอย่างใด สาวกก็มีทิฏฐิอย่างนั้นคือสาวกย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาทำความยำเกรงศาสดาผู้มีทิฏฐิอย่างนั้นและได้จีวรบินทบาศยศนาสนะกีฬานปัจจัยเพศสัตว์บริคานซึ่งมีศาสดานั้นเป็นต้นเหตุนี้ชื่อว่าอนิสงค์แห่งทิฏฐิที่มีในชาตินี้อนิสงค์แห่งทิฏฐิที่มีในชาติหน้าเป็นอย่างไร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 หลุดพ้นไปด้วยทิฐินี้เราจักหมดจดสะอาดบริสุทธิ์หลุดไปพ้นไปหลุดพ้นไปด้วยทิฐินี้นี้ชื่อว่าอานิสง์แห่งทิฐิที่มีในชาติหน้าเจ้าลทัทธิเห็นอนิสง์สองอย่างแห่งทิฐิของตนคือเห็นอนิสง์สองอย่างเพราะความหมดจดแห่งรูปที่เห็นเห็นอนิสง์สองอย่างเพราะความหมดจดแห่งเสียงที่ได้ยิน เห็นอนิสงสองอย่างเพราะความหมดจดแห่งศีลเห็นอนิสงสองอย่างเพราะความหมดจดแห่งวัดเห็นอนิสงสองอย่างเพราะความหมดจดแห่งอารมณ์ที่รับรู้คือหนึ่งอนิสง์ที่มีในชาตินี้สองอนิสง์ที่มีในชาติหน้าอนิสง์เพราะความหมดจดแห่งอารมณ์ที่รับรู้ในชาตินี้เป็นอย่างไรคือศาสดามิทิฐิอย่างใดสาวกก็มิทิฐิอย่างนั้นนี้ชื่อว่า อนิสงฆ์เพราะความหมดจดแห่งอารมณ์ที่รับรู้ในชาตินี้อนิสงฆ์เพราะความหมดจดแห่งอารมณ์ที่รับรู้ในชาติหน้าเป็นอย่างไรเคทิฐินี้ควรเพื่อความเป็นน้าน oh, ี้ชื่อว่าอนิสงฆ์เพราะความหมดจดแห่งอารมณ์ที่รับรู้ในชาติหน้าเจ้าลัทธิเห็นคือแลเห็นตรวจดูเพ่งพินิษฐ์พิจารณาดูอนิสงฆ์เพราะความหมดจดด้วยอารมณ์ที่รู้แล้วสองอย่างเหล่านี้ รวมความว่ามองเห็นอนิสง์ใดในตนในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในศีลวัตรหรือในอารมณ์ที่รับรู้คาว่านั้นในคําว่าเจ้าลัทินั้นยึดมั่นทิฏฐิของตนนั้นได้แก่ทิฏฐินั้นคําว่าในละทิของตนนั้นได้แก่ในทิฏฐิของตนคือในความถูกใจของตนความพอใจของตน ลัทธิของตนคำว่ายึดมั่นได้แก่จับยึดถือยึดมั่นถือมั่นว่าทิฐินี้เยี่ยมยอดประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดรวมความว่าเจ้าลัทธินั้นยึดมั่นทิฐินั้นในลัทธิของตนนั้นคำว่าเห็นทิฏฐิอื่นทั้งปวงโดยความเป็นของเลวอธิบายว่าเห็นคือแลเห็น ตรวจดูเพ่งพินิษ์พิจารณาดูศาสดาธรรมที่ศาสดากล่าวสอนหมู่คณะทิฏฐิปฏิปทามักอื่นด้วยความเป็นของเลวคือสามต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยรวมความว่าเห็นทิฏฐิอื่นทั้งปวงด้วยความเป็นของเลวด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า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 ผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกศาสดานั้นว่าเป็นเครื่องร้อยรัตอธิบายว่าผู้ฉลาดในขันผู้ฉลาดในธาตุผู้ฉลาดในอายตนะผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทผู้ฉลาดในสติปทานผู้ฉลาดในสัมมาปทานผู้ฉลาดในอิทธิบาทผู้ฉลาดในอินทรีย์ผู้ฉลาดในภละผู้ฉลาดในโภอชงผู้ฉลาดในมักผู้ฉลาดในผล ผู้ฉลาดในนิพพานผู้ฉลาดเหล่านั้นเรียกอย่างนี้คือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่า น, นี้เป็นเครื่องร้อยรัดนี้เป็นเครื่องคล้องนี้เป็นเครื่องผูกพันนี้เป็นเครื่องจงวลรวมความว่าผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกศาสดานั้นว่าเป็นเครื่องร้อยรัดคําว่าบุคคลอาศัยศาสดาใดในคําว่าบุคคลอาศัยศาสดาใด เห็นศาสดาอื่นว่าเลวอธิบายว่าอาสายคืออิงอาศัยติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อศาสดาทำที่ศาสดากล่าวสอนหมู่คณะทิฐิปฏิปทามักใดคำว่าเห็นศาสดาอื่นว่าเลวอธิบายว่าเห็นคือแลเห็นตรวจ ด, ดูเพ่งพินิษพิจารณาดูศาสดาทำที่ศาสดากล่าวสอน หมู่คณะทิฏฐิปฏิปทามักอื่นโดยความเป็นของเลวคือสามต่ำสา ม, สามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยรวมความว่าบุคคลอาศัยศาสดาใดเห็นศาสดาอื่นว่าเลวคำว่าเพราะฉะนั้นในคำว่าเพราะฉะนั้นแลภิกษุจึงไม่ควรอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่รับรู้หรือศินวัตร อธิบายว่าเพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นภิกษุจึงไม่พึงอาศัยคือไม่พึงถือไม่พึงยึดมั่นไม่พึงถือมั่นรูปที่เห็นหรือความหมดจดแห่งรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรือความหมดจดแห่งเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่รับรู้หรือความหมดจดแห่งอารมณ์ที่รับรู้ศีลหรือความหมดจดแห่งศีลวัด